เป็นเราก็มาจากคารวาสทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อหนังอวัยวะทุกส่วนก็เป็นเหมือนโลกเขาแต่เวลามาบวชแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเพศด้วยสีผ้า เครื่องบริการใช้สอยเปลี่ยนจริตนิสัยที่ขัดต่อศีลต่อธรรมเฮือที่เป็นภัยต่อธรรมเปลี่ยนหน้าที่การงานที่เป็นเรื่องของโลกออกโดยลำดับใกล้คิดติดทันกับ การงานของสมณะคือเพื่อความสงบโลกเย็นในเทศของเราที่บวชแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพระกับครวัตจึงต่างกันที่ตรงนี้ <c oughs> นี่เวลาเรามาบวชแล้ว <c oughs> เราจะจะดิดมิสัยที่เคยใช้มั้น มาใช้ในวงของพระส่วนมากขัดกันทั้งนั้นหรือจะเรียกว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะส่วนมากมีแต่พิษแต่ภัยแฝงอยู่ในความคิดความเห็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาถ้าไม่ได้ใช้ทมตามเพศของพระหรือเป็นทำเป็นเครื่องประจำเพศของพระเรา <c oughs> เป็นเครื่องรักษา แก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามแล้วผลก็จะไม่มีอะไรปรากฏในตัวของเราในเพศของเราเลย <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกันกับคารวาสเขา <c oughs> จิตซึ่งเป็นครงังกิเลสเหมือนกันกับคารวาสเขาชั้นใดมาดั้งเดิมก็จะเป็นครงังกิเลสอยู่ชั้นนั้นต่อไปเช่นเดียวกัน ดันั้นการฝึกฝนอบรมตนจึงให้คำหนึ่งถึงสาระของเราเป็นสำคัญฝากชีวิตจิตใจไว้กับสาระคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความล่มเย็นแต่โลกมานานแสนนานแล้ว เพราะท่านปฏิบัติถูกทางจนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของสาวกทั้งหลายจากธรรมที่ถูกต้องแล้วโดยหลักธรรมชาติของตนถ้าไม่ยึดสรณะเราจะไม่มีสติติดตัวของเราถ้ายึดสาระแล้วนั่นคือหลักใหญ่ทำให้มีความ ร, รู้ในความผิดถูกเพื่อดีตามเพศของตน แล้วพยายามระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่พ้นที่จะปล่อยโอกาสให้สิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ไหลเข้ามาสู่จิตใจไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยสุดท้ายก็เป็นครั้งที่หนึ่งเช่นเดียวกับโลกเขาหรือมากกว่าโลกเขาเช่นอีก โดยไม่อาจสงสัยถ้าต่อยทาเครื่องรักษามีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญเสียเท่านั้นให้พึงทราบสำหรับนักปฏิบัติเราการมองดูผลของต้นไม้ชนิดต่างๆนั้นโดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุของมันว่ามันได้รับอาหารหรือปุ๋ยประเภทใด ที่ถูกกับต้นไม้ชนิดนั้นๆแล้วแสดงผลขึ้นมาเป็นที่พอใจแก่เจ้าของมองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่ดูเหตุแล้วผลก็ด้อยลงหรือไม่มีผลมีแต่ความหวังอยากให้เป็นผลตามความต้องการเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็เหมือนกัน จิตใจมุ่งอยากได้บุญได้กุศลมุ่งมรรคผลนิพพานคือความพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้คาเนึงถึงต้นเหตุที่จะให้เกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงนอกผลนิพพานคือธรรมอันเลิศไม่มองเหตุคืออะไรคือการปฏิบัติตัวของเราว่าธรรมเหล่านั้น เป็นผู้เช่นใดที่จะ ก, ก้าวเข้าถึงได้ <c oughs> ก็ไม่พ้นจากพระพุทธเจ้าและพระรหันท่านอีกเหมือนกัน <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรท่านถึงได้ทำอันเลิศมาครองรไทยระษาวกทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรท่านถึงได้ทำอันเลิศ มาคลองใจท่านได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่กล่าวไว้แล้วในสังคคุณสุปฏิปั น, นโนอุธุญญ า, าสามิจิปฏิปั น, นโนนี่แหละผลตกออกไปจากนี้ก็ได้ดังจัดตาริปุริสายุการอัตถุริสปุกรลาเป็นบุคคลสีจ่จำพวกนั่นแหละคือพระสงสาวก หรือว่าผลของท่านที่ได้เมื่อยกองค์ท่านขึ้นมาก่อนนั่นแลเป็นคือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อยกเอาผลก็คือผลอันนี้และท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นผู้ได้ครองผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วไม่มีทางที่จะได้ครองทำทั้งหลายเหล่านี้ ให้พึงทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอยาจีกลางห่างเหินจากอัจากธรรมเมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสัมผันที่จะเป็นเครื่องปัดเตาขัดเกาสิ่งทั้งหลายที่เป็นภัยอยู่แล้วภายในใจิตใจของเราออกไปและระมัดระวังรักษาอย่าให้ความชั่วช้าละมกอันใหม่เกิดขึ้นมา เสริมเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเราอย่าหาเชื้อเขอ้าไฟเข้ามาเสริมไฟให้แสดงเปลวขึ้นเท <c oughs> ่าที่ไฟมีอยู่มันก็เสมสมบูรณ์เป็นไฟเต็มตัวของมันแล้วนี่เท่าที่กิเลสมีอยู่มันก็เต็มตัวของของมันอยู่แล้วทุกตามธรรมชาติของคุณมีกิเลสไม่นำสิ่งส่งเสริมที่จะให้ปืปปเปนเป็นไฟมากขึ้น มาเผาเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็พออดพอทนคนเราแต่ถ้าเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นภยัยอันเป็นคู่เคียงกันกันกบจุเลดแล้วก็นับวันที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเพศถึงความหวังของเราแม้จะหวังสูงทําอันสูงสุดเพียงไรก็เป็นโมฆะเสียทั้งนั้น พลังสิ่งที่ได้สมหวังก็คือธรรมมีคติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมวิสาหะธรรม <c oughs> เหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนที่จะให้เราได้ค่อยเบาบางจากสิ่งที่เป็นภัยที่ฝังอยู่ในใจนั้นออกได้โดยลำดับ <c oughs> ไม่เช่นั้นก็จะไม่ผิดอะไรกับ ตู้ผ้าเหลืองเฉยๆวางไว้ในตู้วางไว้ในหี่วางไว้ที่ไหนก็อันนั้นก็เป็นภาชนะรองผ้าเหลืองผ้ากาสะววพัดไว้เพียงเท่านั้นไม่ทำอันใดให้ดีให้เป็นผลขึ้นมาจากผ้ากาสะววพัรนั้นเลยถ้าการปฏิบัติของเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนบวชผู้ปฏิบัติ ไม่สนใจในหน้าที่ของตนแล้วก็จะไม่มีอะไรผิดกันกับโลกสงสารเขาให้พากันพิเนพิแกณาให้มากยาปล่อยให้แต่ความคึกความคามนองพาในใจิตใจโดยไม่มีสติระมัดระวังรักษาและไม่สนใจรักษาตัวเองเลยจะไม่เกิดประโยชน์อันใดก็จะกลายเป็นหุนอันหนึ่งเท่าะนั้น หุมห่อไว้ด้วยผ้ากาสวััณ์เจ้าของก็ภูมิใจว่าได้บวชแต่ไม่เห็นสิ่งที่จะทำให้บอกช้ำ ไ, ได้รับความทุกข์ความสรมานเพราะความไม่สังรวมตนตามเพศแห่งการบวชเลยนี่เป็นความผิดไม่ถูกทางให้ทำความรู้สึกกับตัวทุกคนทุกคนอย่าหลงอย่าตื่นเต้น ให้เดินตามแนวทางของศาสดาสมกับพรนางกัจฉานิสมกับท่านเป็นพระนางกัจฉานิของพวกเราทุกๆท่านให้มองดูแบบดูฉบับร่องรอยของท่านทรงดำเนินอย่างไรนี่เป็นสําคัญมากานการก้าวเดินของท่านนี่แต่การก้าวหน้าเพื่อสู่มรรคผนิพพานจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์ นี่คือการก้าวเดินที่ถูกต้องการก้าวเดินหมายถึงการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญของท่านถูกต้องดีงามหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลก็สุปฏิปันโนอุธุยานะสามิกิปฏิปันโนนี่เลยคือกิจยาแห่งการก้าวเดินหรืเดินตามทางสายนี้ด้วยการปฏิบัติตัวดี ให้ถูกต้องตามหลักทำหลักข้างในที่ท่านแสดงไว้อย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินอย่าเห็นว่าทำที่แสดงไว้นั้นซึ่งเป็นสายทางอั น, อนสําคัญนั้นมาเป็นของไม่สําคัญแล้วก็ออกนอกรูนอกทางตามความอยากตามความเห็นว่าดีว่าชอบเลยกลายเป็นเรื่องตามความขังของตอนไปเสียในสุดท้ายก็ผิดไปเก้าหนึ่งสองเก้าตามแต ลำดับแห่งความคิดความปรุงความมุขทีพ่พาลากพาถูไปนั่นแหละเลยไม่มีอะไรเป็นที่สมหวังทั้งครั้งที่ก้าวเดินอยู่ทั้งวันแต่ก็ก้าวไปทางที่ผิดเพราะกิเหลือพาก้าวไม่ได้ทาพาก้าวให้พากันจังไม่ด้วยดีถ้าทําพาก้าวแล้วมันจะมีกิเลสเราสังเกตดูตัวของเราก็รู้ถ้าทําพาก้าวแล้วก <c oughs> <c oughs> ิเลสจะแทรกเข้ามาขัดมาขวางให้รู้ให้เห็นให้ กระเทือนกันอยู่ตลอดเวลากับจียาแห่งการบาเพ็ญของเรานั้นจะไม่ให้สะดวกมากน้อยอยู่จนได้นั่นแหละนั่นหาขัดอาขวางทำให้ฝืดให้เครืองทาให้ท้อแท้อ่อนแอทำให้น้อยอกน้อยใจแต่ความที่เกียดที่ข้านลิ้ความน้อยอกน้อยใจเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่ได้คิดนี่นี่เรื่องของมัน มันทำให้เราผิดพลาดไปได้ทุกระยะระยะในการบาเพ็ญธรรมเช่นเดียวกับเขาก้าวเดินในทางที่ผิดออกนอกรูกนอกทางที่ถูกต้องไปแล้วก้าวไปสี่ก้าวก็ผิดไปทั้งนั้นห่างไกลความถูกต้องไปโดยลำดับสุดท้ายก็ลิบลับไม่เจอเลยจุดที่หมายไม่มีเลยไม่เจอเลยไม่ถึงเลยนั่นในจุดที่หมายของเรา ผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งหมายอย่างน้อยให้ได้รับความร่มเย็นในเพศของตนมีความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพราะการนะมัดระวังรักษาได้พอประมาณมากกว่านั้นก็จิด ก, ก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาก้าวออกโดยลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความแจ้วแาบกอดไย นี่คือผู้ดำเนินตามสายทางที่ประปุตตเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้แม้จะยากลาบากขนาดไหนสายทางก็ไปที่ตรงนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นน้ำก็ค่อยเดินลัดเดินเลาะเดินปีกเดินแวะไปนั่นจนไปได้ผ่านไปได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความอุตสาหพยายามเป็นผู้มีความพินิจพิจารณา ในหน้าที่การงานของตนที่บำเพ็ญอยู่เป็นประจำไม่ห่างเหินจากสติปัญญาซึ่งเป็นธทันเครื่องรักษาใจให้ก้าเดินไปตามลู่ตามทางแล้วจะเป็นความสงบปลงเยืนพากันจําเอาไว้ในแนวทางเดินนักพุทธนิพพานเราอย่าไปคาดไปหมายให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติของเราว่าสายทางคือทำวินัยนั้นท่านสอนไว้อย่างไร ให้ก้าวเดินตามนั้นจากเข้าสู่จุดหมายปลายทางเป็นลำดับตำดาไปเช่นเดียวกับผู้เดินทางจากจุดนี้ไปสู่จุดที่หมายไม่ปีกแวะออกนอกรูนอกทางไป 9, 1, 2, ก้าวหนึ่งสองก้า็เรียกว่าใกล้เข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปดีก้าวหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงจุดที่หมายได้ในวันหนึ่งไม่สงสัยหรือเวลาหนึ่งแน่นอ น, นมีการก้าวเดินทั้ง ด้วยความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ให้ออกนอกผู้นอกทางทางของหลักธรรมหลักวินัยก็เช่นเดียวกับผู้กล้าเดินไปสู่จุดหมายของเขาย่อมถึงได้ตามความต้องการนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่การปฏิบัตินี่เรื่องของยีเดือนนั้นเข้ามาได้ง่ายที่สุดเราไม่ทราบมันเลยในวาระใน เวลาที่ไม่มีกําลังสติปัญญาพอจะทราบมันได้นี่มีแต่มันทํางานนะกิเลดทํางานแทรกอยู่ในความเพียรของเราไม่ว่าท่ายืนไม่ว่าท่าเดินท่านั่งท่านอนภาวนามันมีแต่ก่เลือดทํางานอยู่ภายในนั้นแทรกอยู่ในนั้นกินกับเราอยู่ในนั้นเราความเพียรของเราเลยไม่ทราบเลยไปไหนมันเลยกลายเป็นเรื่องความเพียรเพื่อี่เลสอย่างลึกลับอยู่ในตัวของมันนั่นแหละ อันนี้สำคัญมากที่กล่าวมาเหล่านี้ผมกล่าวมาด้วยความจริงใจด้วยความแน่ใจเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เคยสวมลอยมาเป็นลาดับตำดา ด, ดังที่กล่าวมานี่แหละแต่ถึงเวาลาที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะบุกเบิกกันได้จะแก้ไขกันได้ก็เพราะอานาจแห่งความเพียรที่ล้มลุกคุก ค, คามนี่แหละด้วยความอุตสาห์พยายามของเราก็ค่อยแข็งตัวขึ้นไปแข็งตัวขึ้นไป จิตที่ไม่เคยสงบเย็นเมื่อถูกบังคับบัญชาด้วยอดด้วยทำอย่างหนานแน่นแล้วก็ย่อมมีความสงบร่มเย็นได้พอความสงบร่มเย็นปรากฏขึ้นก็ทําเป็นเหตุให้เราได้รับทราบหรือได้รู้โทษแห่งความพุ่งสนนร้างําคาญว่ามันขนทุกข์มาให้เรามากน้อยเพียงไรและนานกับเท่าไหร่ในเวลานั้นทันที หยุทั้งเรามีความสงบมากเท่าไรยิ่งเห็นโทษทางความวุ่นวายของใจที่จะเดือดฉุดลากไปโดยลําดับลําดาบให้เข้าใจโดยลําดับอีกเช่นเดียวกั น, น, นเพราะฉะนั้นจิตใจผู้ที่ได้เห็นคุณบ้างพอประมาณพอที่จะทดสอบกับพิเลดได้เช่นความพุ่งช่านเป็นต้นก็ทดสอบด้วยความสงบของเราพอรู้แล้ว <c oughs> ก็จะ เกิดความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตใจที่จะทําจิตให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ไม่ความทุ่มท่าลำคาลทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยเป็นมาเข้ามาแทรกแซงเข้ามาสวมรอยได้ดังที่เป็นมาอีกต่อไปย่อมมีเกิดใจขึ้นมาเช่นนี้ผู้ปฏิบัติ<ม>นี่แหละคือเหตุที่จะให้ทราบเรื่องของเจริญค่อยทราบไปโดยลําดับคือจิตที่ไม่เคยมีความสงบร่มเย็น เพราะไม่เคยอบรมก็ดีอบรมแต่ไม่มีกําลังที่จะ ท, ทํากิจของตนให้สงบ ต, ตุองเย็นก็ดีความพุ่งช่านย่อมมีกําลังย่อมแสดงตัวอยู่ตลอดเวลามีบางครั้งบางคราวผา่าโพนโจ ร, โ ท, รทยานมากเจนเหราเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้กันอยู่ภายในนั้นเราก็ยังไม่ทราบเรื่อง ว่าอะไรมาทำจิตใจของเราให้เป็นนเป็นไฟเผาไม้กันอยู่ในนี้ไม่มีลาทราบเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงระยะที่จะทราบนี่โทษของมันเป็นอย่างนั้นพอจิตเริ่มสงบเข้าไปก็ทีวันนี้ก็เป็นเครื่องประกาศอีกให้ทราบอีกว่าเป็นโทษเป็นโทษเทียบกับคุณที่คือความสงบภายในจิตใจของเราก็จะทราบกันไปโดยลำับนี่แหละที่ว่าเราค่อยทราบเรื่องที่เลื ประเภทต่างๆซึ่งมันเคยหากินอยู่กับความเพียรของเราเคยสวมรออยู่กับความเพียรของเราตลอดเวลาค่อยทราบกันได้อย่างนี้เมื่อทราบมากน้อยเพียงใดย่อมมีสติย่อมมีปัญญามีข้อคิดมีเหตุมีผลเพื่อเป็นเครื่องะกัดลาดกันกันหรือเป็นเครื่องป้องกันกันไปโดยลำดับด้วยความเพียรของตนที่มีสติกว่าเดิมที่เคยเป็นมานั่น นี่าการประกอบความเพียรในเรื่องเรื่องของยิงเรียนี่จะแทบในทุกระยะความที่เกียก็คือเรื่องของกิงเลียเกียดแล้วมันถุดลากไปโดยไม่รู้จิตตัวในขณะที่เราทำความเพียรตั้งจิตไว้ตั้งสักไว้ไม่ได้นาทีหนึ่งเลยเอาไปแล้วห้าทวีบโน้นเอาไปแล้วเอาไปอย่างนั้นเราก็ไม่รู้นั่นละมันรวดเร็วเรื่อง ของอันนี้มันรวดเดียวเพราะมันเคยคลองหัวใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีหัวใจเราเป็นสำคัญมานานแสนนานาเนี่ยจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยว่าต้นทางแห่งการคลองของพิเุณบนหัวใจของสัตว์โลกหรือและหัวใจของเหล่านั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนานจากเท่าไหร่นับไม่ได้เลยเมื่อเป็นจันั้นมันจะไม่คล่องแคล่ว ในตัวของมันได้อย่างไรการปฏิบัติต่อสัตว์โลกมันย่อมค้่องตัวตลอดเวลานี่แหละการจะปฏิบัติตัวให้มีช่องทางพอที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้พอจะปลดเครื่องผิงเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดาไปนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติแนบกับตัวอยู่เสมอเราจะเห็นความยากความทะเยอทยาน หรือความชอบใจในสิ่งใดว่าจะไม่มีกิเลแสแฝงอยู่ในนั้นนั่นนหละสวมรอยอยู่ตรงนั้นเอาอยากดูลองดูสินั่นเอาแล้วพออยากดูปั๊บจะมีเรื่องของกิเลสเป็นความมุ่งหมายยังไงบ้างอยู่นั่นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพั์หรืออยากคบอยากชั้นอะไรก็ตามมันจะมีแทรกอยู่ในนั้นในนั้นอย่างละเอียดถะเอีดโดยที่เราไม่รู้ถ้ามีสติแล้วอันใด ที่มันเจือปนด้วยพิษเจือปนด้วยพิษความอยากใดที่เจือปนด้วยพิษด้วยภยัยเราต้องบังคับบัญชาความอยากประเภทนั้นไม่ควรกินไม่ให้กินไม่ควรฉันไม่ฉันไม่ควรดูไม่ให้ดูฉันก็ไม่ฉันมากเอาเพียงพอประมาณเท่านั้นนี่จึงจริง้วจึงจึงเป็นความจริงหรือเป็นความถูกต้องสําหรับผู้รักษาตน เหมือนกันกับคนไข้ระวังของแสลงนั่นเองผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นธรรมมันละเอียดยิ่งกว่านั้นยิงต้องได้ใช้สติก็กับปัญญาก็เป็นความละเอียดอ่อนตามตามกันไปมีความตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมออืเหมือนกับคนไข้ระวังของแสลงที่จะมาทำลายโรคโรคของตนนั่นเองมีโรคของเราก็คือโรคกิเลสราคะเตมหัวใจโทสะ เต็มหัวใจความโลภเต็มหัวใจโมหะฝังอยู่ในใจอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่นนั้นใจทั้งดวงเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไปยนี้ครับันจะแก้หได้ไงไ่ายๆหรือเพราะสิ่งอันนี้มันมีอำนาจมากมันต้องต้านทานเอาอย่างหนักความต้านทานของมันนั่นแหละทําให้เอาเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่ทราบว่าอะไรทําให้เป็นทุกข์ก็เลยเป็นเหมาไวาเช้ว่าทำพาให้เป็นทุกข์เสีย จะบำเพ็ญธรรมก็เป็นทุกข์จะบำเพ็ญให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์อยู่ในนั้นหมดเป็นภัยอยู่ในนั้นหมดนี่ก็คือกิเลสไปโยน์เรื่องจอมปลามเข้าไปสู่ธรรมซึ่งเป็นของจริงเพราะสมาธิเป็นของจริงปัญญาเป็นของจริงวิมุตติปลุดพ้นเป็นของจริงความพากเพียรทั้งหลายเป็นของจริงแต่กิเลสเห็นว่าไม่สําคัญยิ่งกว่าการไม่อยากทำเสียความไม่อยากทําเป็นเรื่องของกิเลสยิ่งเด็กกิเลสจึงชอบ คนเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีแต่เรื่องเหล่านี้ไปกีดไปขวางความท้อแท้ อ, อนแอร์ความทอดถอยน้อยใจความขี้เกียจที่คลานเต็มหัวใจเต็มหัวใจเพราะมันตังก็ไปแนบกาไปตลอดเวลาเราไม่รู้นี่สิสำคัญมากจนกว่าเวลาจะมีกำลังแล้วจะรู้โดยลำดับตั้งแต่ขั้นจิตแห่งจิตเป็นความสงบขึ้นมานั่นล่ะ เริ่มรู้เป็นขั้นๆเรื่อยไปจึงต้องใช้ความพยายามให้มากผู้ปฏิบัตินี่พระก็มาจำนวนมากที่มาอยู่สถานที่นี้มาจากที่ต่างๆดูแล้วไม่งามตาไม่งามตาเคยเตือนเสมอเคยพูดเสมอยิ่งเท่าใ่เท่าไรผู้เพื่อนก็ยิ่หลังไหลมามองดูแล้วมันขวางหูขวางตาถ้าเป็นทำจริแล้วขวางได้ยังไงไม่ขวาง อันนี้คืออะไรก็คือยาพิษนั่นเองพอมองไปมันทิ่มแล้วแทงแล้วแทงกาแต่ผู้เป็นอยู่นั้นไม่ทราบนั่นสิอันนี้ที่น่าทุเลตออกมากมายผู้จริงๆริงมันเป็นเจ้าของไม่รู้ตัวทิยานั้นประหนึ่งว่าแสดงตลอดเวลาจึงมองไปเมื่อไหร่มันจึงเห็นจึงได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายประหนึ่งว่าแสดงอยู่ในตัวของผู้นั้นตลอดเวลา มองเปไน็นเมื่อไรเจอได้เลยถ้าแสดงเป็นครั้งเป็นคราวมองไปมันก็ไม่เจอเวลามันไม่ไม่มีมันสงบตัวอันนี้มองที่ไหนมองเวลาใดมันมีแต่เจอเอาเจอเอาสะดุดเรื่อยเรือเรอ่อย่างนั้นมันเป็นยังไงผู้ปฏิบัติมันถึงได้เป็นอย่างนั้นมีสติสตังบ้างกิริยาอาการที่สแสดงออกมาของคนมีสติของคนผู้มีความเพียรมันย่อมต่างกันกับ ตัวแสลงที่แสดงอยู่ตลอดเวลามองเมื่ อ, อไรเจอเหมือนั้นเหมือนนั้นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติของเรามันยิ่งร่อยรอไปทุกวันทุกวันเห็นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นของสาคัญหนักเข้าหนักเข้าเป็นลำหลับไม่ว่าฝ่ายพระฝ่ายคารวะเพราะธรรมชาติอันนี้มันอยู่ในใจหลังใจสิ่งที่ล่อรวงยั่วยวนมัน ก็มีมารอบตัวรอบตัวทั้งพระทั้งโยมทั้งโลกทั้งธรรมพูดยังไงมันมีอยู่อย่างนั้นผู้ไม่มีสติสตังอย่างจริงอย่างจังแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่มันจะเอาขึ้นเขียงจนได้ละไม่มีว่างเขียงซับยำอยู่ตลอดเวลาตัวของเรานั่นแหละหัวใจของเรานั่นแหละพิยาการที่แสดงออกนั่นแหละคือเขียงให้เกิดยำมันยำอยูตลอดเวลาเราจะไม่รู้อย่างที่ว่าแสงตานี่ มันทิ่มตาแทงตาก็คือกิเลสมันขึ้นเขียงมันสับมันยาให้เห็นนั่นเองจะเป็นอะไรไปขอให้เป็นผู้มีความหนักแน่นในธรรมอย่าเอ็งอย่าเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมผิดขึ้นมาก็ผิดออกมาจากของเดิมนี่แหละเอามาหลอก รวงกันหลงพระเราก็หลงคารวะก็หลงแล้วทีนี้สุดท้ายความดีไม่ปรากฏก็จะมีแต่ความชั่วเต็มตัวเต็มโลกเต็มมังสารก็มีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินดนนั่นเองไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแทรกแสงหี่เป็นเครื่องป้องกันหรือรักษาไว้ยิ่งพระของเหล่านี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นเพศที่ รักเป็นเพศที่สงวนของตัวเองเอาอย่างมากไม่มีอะไรที่จะเกินเพศของเราทำของเราที่กําลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ได้เลยจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความภาคความเพียรวัดนี้สอนเพื่อความเพียรอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับด้านการ ก, รอก่อการสร้างรี่เหลงวุ่นวายแบบที่โลกโลกเขาทํากันอันนั้นใครเขาก็ทําได้ทำได่ง่ายนิดเดียว ไม่ได้ยากเหมือนการทำใจให้อยู่ในขอบในเขียแห่งความสงบร่มเย็นนี้เลยอันนี้ทายี่งเดชไม่ไม่อยากให้ทำมันยึงทำยากมากกว่าทุกอย่างเพราะวิธีการอันนี้เป็นวิธีการที่จะออกจากนอกอำนาจของมันไปได้เมื่อทำไปทำไปจิตก็มีความสว่างสวัยเห็นโทษเห็นภัยของกิเดชไปเรื่อยๆดัแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าสู่ความเพียร เ, เ, เพื่อเพื่อทำนี้หนักแน่นไปเป็น ระยะระยะจนกระทั่งหยุดพ้นมันไปได้ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ยอมไม่ทำไม่ง่ายคนผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงว่าการภาวนานี่ยา ก, กเพราะเป็นจุดสําคัญของของกิเลสที่มันจะต้องอกีดการห่วงห้ามไว้อย่างหนักทีเดียวอันนี้ก็ไม่พ้นในพระเราอีกเหมือนกันให้มันมากีดการห่วงห้าม หรือบังคับบัญชาให้อยู่ใต้อำนาจของมันคือความขี้เกียจที่ค้านความท้อแท้อ่อนแต่อยู่ตลอดเวลาจนได้นี่อันนี้สาคัญมากให้ดูใจอูตลอดเวลานี่แหละนักปฏิบัติดูความรู้ของเราดูใจของเรามันเคลื่อนไหลแต่ไรถ้าผู้อยู่ในคำบริกรรมก็ให้บริกรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นที่ว่าภาวนาไม่ยนั้นไม่ทันกัน บริกรรมคือก็มีให้มีสติอยู่กับคัมบริกรรมทำอะไรกิริยาที่ทำมันเพียงยิบยิบยิบหลักใหญ่คือความรู้กับจิตอยู่ด้วยกันนั่ น, น, นจริงๆชื่อว่าผู้เป็นผู้ภาว น, นาจะทำอะไรก็ไม่เผอให้ยามอยู่ในจิตนั่นอาจที่จริงเรียกว่ามันเหมือนคนไข้ที่ละระวังของแสลงไม่ระวังขนาดนั้นเอาจริงเยื่นโดนปึ่งทันทีเลยเข้าโดนทันทีทันทีไม่ไม่ทันมันเลยจริง ต, ต้องในระวัง รักษาอยู่เช่นนั้นมีขั้นบริกรรมที่จตที่มันผ่านพ้นความบริกรรมไปก็คือว่าจิตมีความสงบร่มเย็นมีสมาธิแล้วความรู้เป็นจุดเด่นสติก็อยู่ที่จุดแห่งความรู้ที่เด่นๆนั้นนั่นอยู่ที่จิตเหมือนกันแต่ไม่ต้องบริกรรมเพราะความรู้นั่นเป็นทำที่เสติจัดจ่อได้แล้วเกาะติดกันแล้ว เป็นความรู้เด่นอยู่แล้วนั่นก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยิดละเอียดเข้าไปเท่าไรสติก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปโดยลำดแบบับลาลานั่นที่ว่าผู้มีความเพียรตั้งแต่ขั้นยากๆคือขั้นบริกรรมอยู่ไหนก็ให้มีคำบริกรรมอย่าปล่อยอย่าวางอย่าจืดอย่าจางกับทำเท่าไหรมันจะเป็นความเข้มข้นในที่เ โดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละพอเราจืดจางทางด้านธรรมะและจุเดียจะมีรวดมีชาติขึ้นมาแล้วก็พัวพันหันแหลกเราอีกแหละนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังตลอดเวลาผู้ปฏิบัตินี่ดูแล้วคนมีสติทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่มีสติจิตไม่อยู่สติไม่อยู่กับใจเลยมันบอกอยู่ตลอดเวลากิาการความเคลื่อนไหว พอะเหตุนั้นแจ้งต้องพยายามตั้งผู้มาศึกษามาศึกษาเพื่ออะไรมศึกษาเพื่ออาดเพื่อทำนี่สอนนี่คือทมให้นำไปเพื่ปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภยัยต่อแก่ตนหรือแก่ใจของเราให้ได้ผลเป็นลำดับําดาไปบริกรรมนี่เวลา บ, บริกรรมอาติติดกันไม่มีไม่มีความเผลอเลยอย่างนี้มันเข้าถึงความสงบความละเอียดได้โดยไม่สงสัย นี่ได้เคยทำมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเอาจิงเอาจังเวลาบริกรรมให้อยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นไปไหนมาไหนเหมือนไม่เคลื่อนที่เลยคำบริกรรมก็ติดอยู่ด้วยกันนั่นไม่เคลื่อนที่ตรงนั้นเราเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็ตามความรู้กับสติจอกันอยู่กับคำบริกรรมตลอดเวลาจอกันอยู่นั่นนั่นเรียกว่าภาว น, นานั่นละจะทาให้เกิดผลได้ไม่ต้องสงสยัยไม่มีทางสงสัยจริง เมื่อเราตั้งอย่างนั้นไม่กี่วันนะ่ะมันจะแสดงให้เห็นเวลาเข้าพานาก็ง่ายจิตก็สงบก็ไปได้ง่ายและเวลาบริกรรมจิตติดกันไปไม่หยุดไม่ถอยไม่ถือเวลาเวลาอะไรมาเป็นสําคัญยิ่งกว่าคําไม่เผลอระหว่างสติกับจิตไม่ให้เผลอกันนี่แหละที่จะส่งเสริมผลให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและจิตที่ได้รับการน้มัดระวังรักษาอยู่ด้วยสตินั้นจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขนาดที่ว่าบริกรรมไม่ได้นะ เมื่อละเอียดจริงๆเนี่ย้าบริกรรมนี้บริกรรมมันมันเนียบไปเลยแต่ความรู้นั้นเด่นละเอียดมากนะบริกรรมยังไงลองบริเอาตะก่อนแล้วยังบริกรรมได้เนี้ยทีนี้ทําไมมันบริกรรมไม่ได้ไม่ก็รู้อยู่องั้นมันบริกรรมไม่ได้จริงๆปล่อยเสียให้อยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นอีกด้วยสติเหมือนกันจะว่ารวมหรือไม่รวมก็ตามก็นั่งอยู่มันก็เป็นเดินไปมันก็เป็นนีอย่างนั้นมันละเอียดอย่างนั้น ว่ามันเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเข้าถึงท่านละเอียดเา้เาปล่อยเสียทําบริกรรมให้จิตมันรู้อยู่กับความละเอียดสติรู้อยู่กับจิตที่ละเอียดละเอียดนั้นเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะขยับพยายตัวแล้วความละเอียดนั้นแรมันจะแสดงอาการขึ้นมาพอให้บริกรรมได้เช่นเช่นที่เคยบริกรรมมาเราก็ บริกรรมต่อไปนั่นจําให้ดีตรงนี้เอาจนกระทั่งมันอยู่จริงๆจิตนี้อยู่พ้นอํานาจของสติพ้นอํานาจแห่งการรักษาเราไปไม่ได้ยังไม่พูดถึงขั้นปัญญาก่อนพูดถึงขั้นสติเป็นตํางขัญมากทีเดียวเดินก็เดินเอาสติไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางไม่ถือการโน้นสถานที่นี่เวลาอิรยาบดใดนอกจากให้รู้อยู่กับความรู้นี่เท่สติ เป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องระลึกระลึกรู้รู้รู้อยู่นั่นจิตก็สงบเย็นจะไปคิดปหาเรื่องใดไม่เสียดายเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดได้ผลประโยชน์อะไรมีแต่ความเนือดร้อนวุ่นวายเพราะผลที่เกิดขึ้นจากความคิดความฟุ้งซ่านนั่นแหละบัดนี้เราจะสงบจากอารมณ์ทั้งหนายที่เคยเป็นพิษเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมคือสติกับคำบริกรรมคำบริกรรมจึงบริบริกรรมได้ก็เป็นสังขารแต่สังขาร น, นี้ว่าสังขารฝ่ายมาก ที่ทำจิตให้สงบได้ไม่เหมือนสังขานที่คิดไปตามภาษีภาษาออกห้าทวีปเป็นเรื่องของเดชลากไปถลุงให้ภาครัฐออกไม่เสียดายอย่าเสียดายเพราะเคยได้พิจารณามาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมากขนาดไหนจนบางทีจนจะเป็นบ้าก็มีเพราะความคิดมากวุ่นมากทุกมากเลยหา ที่จอดที่แวะไม่ได้เลยแล้วจะเป็นบ้าก็มีมาแล้วในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงบัดนี้ไม่หันไป <c oughs> ให้อยู่ในนั้นเอาลองตั้งดูจิผู้ที่ไม่เคยตั้งเอาตั้งอย่าลืมคำนี้เป็นผลแน่นอนไม่สงสัยเมื่อกิตแน่แน่ลงไปจนกระทั่งถึงว่าความรู้นิดเด่นนะเพราะได้รับการบำรุงมาเต็มที่แล้วความรู้ ภายจิตใจนี่จะเด่น <_ an> เด่นขึ้นเรื่อยเเรื่อยเรื่อยแล้วก็เป็นเรื่องบอกเป็นเครื่องบอกตัวเองให้รู้อยู่ในตัวไม่ต้องไปถามใครเลยที่นี่สมควรบริกรรมหรือไม่สมควรความรู้เด่นก็จับอยู่กับความรู้นั่นเลยสติอยู่กับความรู้อันนั้นความรู้นั้นไม่ต้องบริกรรมมันเป็นเองหากู้เองนี่ก็เด่นขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วสมาธิไม่ต้องถามหามเมื่อจิตนีจุด เด่นแห่งความรู้ของตัวเองปรากฏขึ้นเด่นเด่นขึ้นลำดับเด่นลำดับลำ ด, ด, ำ ด, ด, ำดัแล้วเราเข้าสมาธิก็เข้าได้ง่ายเพราะเราห้ามแม้มันคิดอยู่แล้วยิ่งเวลาเข้าภาวนาให้อยู่กับที่นี้มันกแน็แน่วลงไปเลยนานนี่ขั้นที่จะตั้งจิตให้มีความสมบงบเย็นให้มีสมาธิตั้งอย่างนี้นี่วิธีการเหล่านี้ได้เราได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ไม่ใช่ไม่เคยปฏิบัติมาแล้วด้วยได้ผลมาแล้วเพงได้นํามาแนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนตอนนั้นก็ออกทางด้านปัญญาหนาที่นี่พอจิตมันเข้าเป็นสมาธิเป็นความสงบได้แล้วก็เชื่อมีสเสบียงแล้วหยิตอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ทั้งหลายหยิตเมื่อเป็นสมาธิแล้วย่อมไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆที่เคยคิดเป็นบ้ามาแต่ก่อนนั้นอพูดทำนั้นเต็มยศแก มันเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ของไม่รู้เรื่องมันจะมันจ ะ, นจะเหมือนคนบ้าเสมือนอะไรน่นั่นมันเคยเป็นทีนี้เวลาจิตมีความสงบก็มีความอิ่มตัวเข้าไปอิ่มตัวเข้าไปไม่เสียดายอารมณ์ต่างๆที่เคยที่เคยตุมมาแต่ก่อนนั่นเลยเพราะมันมีเพราะมีอาหารจิน๋นมีอาหารเสวยมีอาหารเป็นเป็นผู้เลี้ยงดูอยู่ภายในจิตนั่นแหละจิตอิ่มตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ก้าวทางด้านปัญญาเมื่อจิตอิ่มตัวแล้ว อิเต็มที่ก็เท่าเดียวกับน้ําเต็มแก้วจะทําให้ให้ยิ่งกว่านั้นขนาดไหนไม่ยิ่งลงเต็มที่ก็อยู่เท่านั้นเองนี่อยงเรียวกว่าสมาธิเป็นสมาธิสมาธิจะไปเป็นปัญญาได้อย่างไงนี้ใช้เร า, เร า, เราท่านๆ น, นอกจากอทิปปาพิญญาอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มาพูดในวงเดียวกันมันต่างกันฉะนั้นเราท่านๆนนี่มากต่อมากร่างที่ทําท่านแสดงไว้ ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั่นน่ะนั่นท่านพูดไว้กลางๆให้ได้ในบุคคลทุกขั้นทุกภูมิไปเลยแล้วก็บเวลานี้ก็มาเหมาะกับพวกขั้นภูมิของพวกเราเนี่เมื่อจิตมีความสงบตัวแล้วให้กล้าออกทางด้านปัญญาพพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งมันมีหยุดโดยสมบูรณ์แล้วอยู่ภายในร่างกายของเราเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันทิ่แปงเปลี่ยนง เหตสันตัญยอไปทางอื่นเสียความจริงไม่ไม่ยอมให้รู้ให้เห็นไม่ยอมให้เราอยากพิจารณามันจึงเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดิบของดีของกีรังถาววรมันหมดทั้งทั้ ง, ท, งที่มันปลอมร้อยเปอร์เซนตแต่เราก็หลงเชื่อมันไปอีกร้อยเปอร์เซนตไม่รู้สึกตัวเลยก็เพราะเห็นนี้เองเพราะเหตุไม่มีสมาธิไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีความสงบใจจึงต้องอาศัยเหล่านี้เป็นถ้าจะพูดแบบโลกก็ว่า เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่นเลืองแต่ลื่นเลืองเพื่อผแผกเผาไม่ใช่ลื่นเลืองเพื่อความร่มเย็นเป็นจุกต่อไปนี่เมื่อลาคิดมีความสงบตัวแล้วย่อมปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายนี้ได้หยิบ อ, อิมตัวในอารมณ์นั่นะทีน่นี่พาออกพิจารณาที่จะตั้งหน้าตั้งตาทําตามพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาเรื่องอสุภะหิทัทงภายในร่างกายของเราหรือร่างกายใครก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามเขอมันเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาเป็นธรรม แยกแยดูนี่ยะปัญญาในเบื้องต้นปัญญายังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรแล้วปัญญาจะขี้เกียจความขี้เกียจของปัญญาจะห้อยโหนไปไหนโดนพยานไปไหนไม่ไปจะเข้าหาถูกมาจากความสงบเท่านั้นไม่อยากทํางานก็คืออยากมานอนอยู่สบายได้จต่เข้าสู่ความสงบเพราะไม่มีอะไรควรเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบมีอารมณ์อันเดียว คือรู้อยู่อย่างเด่นชัดเพียงเท่านั้นพอแล้วถ้าจิตยัไม่เคยเห็นคุณค่าของบัญญาเพียงเท่านั้นพอแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงติดในสมาธิโดยไม่ต้องสงสัยเพราะมีรสมีชาติทําจิตให้เกียรข้านให้ที่ในการพิจารณาทางด้านปัญญาได้เมื่อยังไม่เห็นผลของด้านปัญญาซึ่งซึ่งมีรสชาติที่เหนือกันเป็นลําดับอันใดต้องเป็นอย่างนี้โดยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา จนกว่าปัญญาที่เรานำไปพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างยิ่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นเดียวกับเราทําสมาธิเราบริกรรมถึงเวลาที่จะพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นต่อไปก็ค่อยเข้าใจเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งมันเป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมันไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นของมีอยู่แล้วไม่เห็นได้ยังไงอันนี้จังทุกขนาตาก็มีอยู่แล้วในตายของเราทั่วโลกดินแดนมันมีอยู่แล้วจะไม่เห็นได้ยังไงถ้าตั้งใจดูนะ ดูก็ดูด้วยปัญญาจะด้วยแล้วก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเมื่อเริ่มรู้เริ่มเห็นก็เท่ากับการถอดถอนที่เหลืความรักความชอบในของสวยความงามก็เบาลงไปถอนลงไปความยึดมั่นถือมั่นในอณนิจ ang ทุกอยงร่างกาทั้งหลายนั่นว่าเป็นเหมือนกับทองคําทั้งแท่งนั้นมันก็จะกลายเป็นมูดเป็นขูดเป็นเดินไปเรืๆๆๆๆ่อยเรื่เรืรื่พราะมันเป็นของปฏิกูลมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเดนมาเอง แล้วก็ค่อยเห็นคุณค่าของปัญญาเรื่อยอยู่ที่นี่จากนั้นก็เอาแหละปัญญาได้เห็นผลของตัวเองแล้วย่อมมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อขยันหมั่นเพียรมากเข้ามากเข้าจิตมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับเราทํางา น, นงมากๆก็ให้พักเสียพักคือว่าปล่อยจิตให้เข้าสู่สมาธิมีความสงบตัวไม่ต้องทํางานไม่ต้องห่วงปัญญา เวลาจะเข้าสู่สมาธิให้เป็นสมาธิไม่ห่วงกับอะไรเลยยิตให้ในพักตัวเต็มที่นั่นคือพักแรงเอากำลังพอถอยจากสมาธิแม้จะอยากจะเข้ามาอีกก็ตามไม่ให้เข้าที่นี้จะให้ทำงานออกทั้งด้านปัญญาในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นทันต่อไปนี่มีใจะจะออกทางปัญญาล้วนๆต้องระ บ, บังขับเอาไว้นี่คือวิธีปฏิบัติในการแก้กิเลสไม่ผิดที่พพุทธเจ้า ทงแสดงไว้แล้วว่าศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาปโดโหติมหาหันสรงโซผู้มีศีลบริรสุทธิ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีความอบอุ่นในตัวเองไม่ละแค่ละค า, ายเดือดร้อนด้วยความที่ว่าศิลด่างศินพลอยศีลศีลทลุอะไรอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความออบอุ่นอยู่ภายในตัวตัวนี้สมาธิ ป, ปริภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหหันสร้างสร้าง จิต ท, ที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องอารมณ์ย่อมเดินคล่องตัวนะเวลากิตมีศีลเป็นเครื่องอารมณ์แล้วย่อมมีความสงบเย็นสงบเย็นการภาวนาก็ไม่มีอารมณ์อะไรมาดักแค่ดักข่ายมาทําลายตัวเองก็ลงความสุขความสงบได้ง่ายคนไม่มีอารมณ์นิวรณ์เครื่องกันก้นกลางเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ท่านจะสอนไว้อีกนะสมาธิปริภาวตาปัญญามหาปราโหุติมหาหิสร้างฆาเมื่อมีสมาธิจิต มีความอบ อ, อุ่นผิดมีความอิ่มพอในะอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ดําเนินทางด้านปัญญาหนุนปัญญาไปไล้อย่างรวดเร็วนั่นนี่ก็เราก็เป็นมาแล้วแล้วไม่ได้คุยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะั่นแหะพอถูกพ่อแม่ครูจามได้ทางด้านปัญญามันก็ต้าตื๋งเลยทันทีนั่นเพราะมันพอตัวอยู่แล้วธมาที่อิ่มตัวถึงขนาดนั้นเจนไม่อยากทํางานเลยอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้นะั่นมันติดที่นี่ว่าออกทางด้านปัญญาปัญญาเหนือกว่านี้ ผลของปัญญาที่แสดงออกให้เห็นชัดเด่นกว่านี้เด่นกว่านี้มันก็ลืมเข้าสมาธิไปแล้วนี่ไปใหญ่นี่ยเนี่ยที่นี่จากนั้นก็ปัญญาปิภาลต่างกิตต่างซ้ำมาเดวะอาเสวหิมุจจติปัญญาที่อดิที่ถูกปัญญาซักฟอกเอ็มที่แล้วย่อมพ้นจากที่เดชทั้งปวงโดยชอบ น, นี่แปลทางภาคปฏิบัติกกงไปเลย นี่แหละปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ยุดพ้นจากที่เดืดทั้งปวงโดยชอบไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ชอบนะท่านสอนไว้โดยชอบโดยชอบนี่แหละทางเดินที่ผู้เจ้าทรงดำเนินและประทานไว้ให้พวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้ดำเนินตามนี้ไม่ผิดพลาดไม่ไปไหนแต่สำหรับผู้เป็นคิดปัญญานั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผู้ที่เป็นอย่างแบบเราท่านๆประเภทเนยยะ พอฉุดพอกไปได้นี้เป็นประเภทนี้กันทั้งนั้นเนี่ยเป็นของสําคัญทำที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีความห่างเหินจากดวงใจของเราจ้าที่มีความภาคเพียรพยายามตามแนวทางนี้ไ ป, ไปได้เลยเป็นมัาคิมาอยู่ตลอดเวลาลวคือเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมตลอดไปท่านจึงเรียกว่าอากาลิโก ทำไม่มีกาไม่มีร่ำไม่มคือทําเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ทุกเวลาถ้านํามาแก้เช่นเดียวกันกิเลสเป็นกิเลสได้ทุกเวลาถ้าทําให้เกิดกิเลสมันเป็นได้ทั้งนั้นเป็นอาการิโกเหมือนกันยิ่งไม่ได้มีอะไรห่างเหินพระเจ้านิพพานแล้วท่านนั้นปีนี้เดือนมรรคผลนิพพานจะค่อยหมดไปสิ้นไปนั่นนั้นมันเป็นความคิดของคนหลับตาพูดไม่เคยภาวนาตั้งแต่เกิดมามันก็มาอุจลิพูดอย่าไปสนใจไม่ ไม่มีใครเกินพุทธังสนางกฉามีไปได้หล่ะทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงออกไม่ใช่ประธานไไม่ใช่คนหูหนวก ม, มาแสดงนี่นะ่ะอันพูดแบบหูรับตานั่นนั่นหรือหรือจะเป็นสนาของพวกเราคนหูหนวกคนตาบอดสนางกฉามีอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้บวชมาเพื่อคนหูหนวกตาบอดสนังกฉามีเราบวชมาเพื่อพุทธังทำมังสังคังสนางกฉามีต่างหากตั้งแต่วันบวชก็เป็นอย่างนั้นขึ้นสนานี้ก่อนแล้วพากันตั้งอกตั้งใจ ผู้มาใหม่มาเก่าของกันให้ศึกษาด้วยกันและอันใดที่จะเป็นการกระทบกระเทือนซึ่งการอักันอันเป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้มันเพ่นพ่านออกมาได้น่ะใครจะว่าดิบว่าดีหรืออวดตนอวดตัวว่าดีนั่นแหละคืออวดความเจ้าอวดกิเลสให้พึงทราบว่านี้กิเลสเอาอย่างจังๆถ้าเรื่องเรื่องของธรรมแล้วต้องความจริงทัเท่านั้นเอายอมรับใครพูดก็ตามเด็กพูดก็ตามใครพระก็ตามเนนก็ตามพูดหรือแสดงออก เมื่อถูกต้องแล้วยอมรับกันยอมรับกันนี่คือธรรมไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเชื่องกันกันส่วนมากที่กระทบกระเทอือนกันหรือทะเลบอกแกันเมื่อที่กิเลสเข้าไปทํางานเท่านั้นมันจับไม้ใส่มือแล้วก็ให้ตีหัวกันพวกเรามันถูกกิเลสจับไม้อ า, อาไม้ใส่มือยื่นจากมือแล้วก็ตีหัวกันนั่นแหละมันไม่ทันกิเลส ย, ย่างคือไม้มันก็คิกว่าเป็นข้าวต้มขนมมฟาดหัวกัน เลือดสาดเอานุ่นมันถึงจะรู้ว่าเป็นไม้ตีหวัวคนตีหัวผ้าหัวเนียนที่อวดรู้อวดฉลาดเอาที่เด็กเข้ามาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติแม้เร็วที่สุดนะให้ท่านทัน้งหลายจํำมาไว้นะข้อนี้สําคัญมากในครั้งพุทธการก็ยังมีที่เคยแสดงให้ฟังแล้วถึงขนาดพระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมลงเลยเห็นไห้ที่เด็กตัวมันเด็ดๆมันเด็กขนาดนั้นมีนี่ถ้าทะเลาะกันอพระพุทธเจ้า ทรงห้ามมันยังไม่ยอมฟังเดินพระ อ, องค์เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยไร่ปีนั้นนะ่ะปีหนีจากพระรพระลมานพระลรมานกิเลสของพระประเภทนั้นออกเฉด็จออกไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเลยไร่จนกระทั่งพวกเก่งๆนั้นถูกเขาชาวบ้านเขาดับสันดานเนาะเขาไม่ใส่บาตรใส่อะไระเขาที่หน้าวกพระที่ทะเลาะ ก, กันจริงๆนี่ องไหนที่ท ะ, ทะเลาะกันพวกไหนทะเลาะกันเขาขี้หน้าเลยเขาไม่สาบายไม่กินจะตายที่นี่ถึงไดเห็นโทษแล้วพระอานนท์ไปถูลพระรัตนพระพุทธเจ้ามาโปรโดพระอานนท์พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรโดก็ใส่กันเปี่ยงเปี่ยงเลยแต่ท่านยังมีอุวิสัยสามารถรู้รวดเร็วเห็นโทษได้เร็วจนเครื่องเดบรรลุมขุนิพานตั้งมากมายกวองพระทั้งหลายเหล่านั้นนี่เคยมีกิเลสมันเก็งมาแต่ไหนพระองค์มันก็พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตามันยังไม่ถอยฟังสเห็นไม้เกิดนี่นี่เราให้ให้จำ ม, มาดีนะทำนะั้นคือศาสนาแทนพระพุทธเจ้าให้เพิ่งทราบพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราทุกเวลาเวลาอย่าฝ่าอยา่าฝืนอย่าอวดดีบวดดีอันเป็นเรื่องของเกิดที่เคยลบพระพุทธเจ้าลบทำมานานแสนนานแล้วให้เพิงรู้สึกตัวเสมออันนี้เป็นของสําคัญมากแล้วนะบางทีผมได้อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอย่ามาถือเป็น ความที่แจ้งที่รับกับผมกับหัวหน้านะให้เคารพตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมด้วย ส, วยวยสติปัญญาให้ปฏิบัติต่อกันด้วยความนิ่มนวลด้วยความถูกต้องดีงามเรามาบวชในพุทธศาสนาย่งมาอยู่ในวัดเดียวกันแล้วเหมือนพ่อแม่เดียวกันยอมรับฟังเสียงกันใครอย่าไปบวชดิบบวดดีดดยาถือเป็นโกกเป็นเหล่าให้เห็นนในวัดนี้โกงนั่นเป็นอย่างนั้นโกงนี้เป็นนิายาให้มีเป็นปราการอกแตกผมโดดนี้เลยนะผมไม่อยู่ ถ้าเป็นลวงาสะแ ส, าสงขนาดนั้นแล้วก็ยังมาอาจหานต่อหน้าต า, ายอีกแล้วก็แซงว่ากี้ตัวนี้เก่งมากให้มันคองวัดเสียตอนนั้นเองเอาละพอไงแล้ว